โดยจาก 10 มิถุนายน 2540 ที่ การสวดมนต์ของเรานี่นะเราสวด ร้อยเรียงไว้เป็นคําความชโยนี่เป็นต้นคําเดียว หรือจะเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยรู้ว่าทําอย่างนี้ อ่าตัวพลังที่จะให้มันเกิดพลังดูดพลังๆ ไม่มุ่นไม่ไปไม่มาไม่อะไรทั้งนั้นน่ะอ่า มนุษย์แต่แค่ที่เราใช้คำคำเดียวเปล่ง ขออะไรจะๆอะไรๆอะไรก็ตาม เอาคำอะไรๆที่ประนามนี่ ในภาษาไทยมาใช้ในความหมายหลัง อหงก็ๆเราก็มาสรรเสริญ นี่มีการสวดมนต์ของๆ ก็ๆมาสวดเนี่ยสวดพร้อมกัน อ่าถ้าพร้อมกันอ่าโดยเฉพาะธรรมบท พระตมะก็ทําๆมาๆกันเนี่ยก็ทําแต่แค่นั้นนะๆกันนี่ก็สวด เป็นเหมือนกันทําได้เหมือนกันถ้าจะทําก็ทําอย่างนี้ สวดแล้วก็ลากเสียงยาวๆนี่ผิดวินัยอีกเหมือนกันนะผิดที่ๆไม่สวดขึ้นไป สวดคือสวด 2 ลักษณะลักษณะ 1 เพื่อเก็บรักษาสมัยโบราณท่านไม่มีหนังสือท่านไม่ ท่านสวดนี่เป็นคุณประโยชน์ก็ได้ใช้ประโยชน์กันมากมายถ้าๆเราไปใน เอ่อแล้วก็ได้พอสมควรนี้ก็นะแต่ก็รวบๆได้เลยมีเป็นพระนะเลเลเล 80 เล่ม 45 เล่มยังไม่ 45 เล่มแปลงมาเป็นไทยหมดแล้วก็มี อ่าได้เรื่อยๆหัวใจยอดนักรบ <c oughs> ฉบับแปลออกมาย่นนั้นแหละเรียกว่านวโกวาทนวโกวาท คำกล่าวคำสอนของผู้ใหม่รวบรวมไว้เป็นนวโกวาทนักธรรมตรีนี้ต้องอ่านให้ๆที่ รับภูศาสนาพุทธจากก็ดีอยู่นั่นแหละแต่ใดอย่าง หรือว่าใช้น้อยว่าใช้น้อยอ่าเรามารวบรวมเนี่ย สูตรที่จําเป็นสูตรที่อาตมาใช้บ่อย นะพอเราใครจะเอาไปเปิดดูทบทวนทั้ง อาจใช้วิธีเอามาใช้ให้จําก็เป็นอะไรอันดีๆหลายๆๆ เขว่าป้าสวดดีเนี่ยอย่าปฏิเสธไม่ชอบก็สังคมก็ใช้สิ่งนี้ดีแม้เรา<ด><ด> ก็ต้องพยายามรับนะจะไปผัดไปดูดโดยที่ใจ ตัวคู่ของกูเหมือนจริงๆแล้วนี่สิ่งที่เป็นยอดเนี่ย น่ะยอดที่ๆก็ไปสูงลิปๆน่ะก็เหลือหน่อยนึงไม่ ที่ 1 ก็ต้องน้อยที่ 100 มันก็ต้องเยอะมันๆจะเอาคน คัดเลือกจํานวนคนเข้าไปแล้วก็ไปร่วม ผู้ชาลชํานาญอ่าๆ majority ส่วนใหญ่ส่วนรวม rule ไม่ใช่ต่างคนต่างอะไรก็ได้ไปหมดประชาคมเออจริงๆก็แปลว่าบรรทัดฐานแหละอ่ามาเจอที่รูล เอ่อนี่คือมีต้นอะไร เปรียบเหมือนตัดสินมาๆน่ะจะไป เป็นคะแนนถือว่าถูกต้องคะแนนถือว่าถูกต้อง right ถูกต้องถือว่านี่ เพราะฉะนั้นจะเป็นประมาทมินอริตี้ส่วนน้อย ส.ส. นั้นจะต้องเป็นปราชญ์จะต้อง พวกสภาก็คือพวกมินอริตี้ๆเฉยๆไม่ใช่ อ่าผู้อื่นเสียสละได้มักน้อยสันโดษปราศก็ น่ะเป็นอริยะยิ่งเป็นอนาคามีได้ยิ่งดี เพราะงั้นเป็นอย่างที่ว่าเลยไม่ใช่จํานวนผู้ๆปราดๆเป็นมินอริตี้ไรท์ไม่ใช่ๆที่จะไปทํางาน มันไม่ถูกต้องมันเพราะในหมู่พวกเรานี่ก็เหมือนกันถูกต้องนี่คือลักษณะของเราก็จะต้องเข้าใจเพราะจริง <c oughs> เรเรเรามีกลุ่มหมู่เรามีผู้แทนของพวกเราอะไร เราเรียกกันมีผู้ที่คิดคำขึ้นมาอาตมา ตรงอยู่ส่วนกลางคนห่างๆไม่เคยได้มาคบคุ้นก็คงจะ ขั้นๆชั้นๆมันอ่าก็เลยๆหัวๆฝ่ายๆหลายๆฝ่ายใน จากฝ่ายก็จะต้องแบ่งใหญ่ๆนี่ชื่อว่าผู้ทันผู้ทัน ในพุทธกิจโลกนี้ท่านจะบอกเวลาหมูแล้วจะก็ต้อง ใครพอถึงก็เออคนนั้นเอาคนนี้เลือก นี่ถึงจะต้องตั้งสมภารธีร์แต่พวกเราไม่แย่งกันหรอก เป็นได้นะไม่เกลี่ยงกันไม่เช่นอาตมาไปอยู่วัดไหนเนี่ยอาตมาไม่ อาตมาจะสัมมาอายตนะต้องเข้าใจ อรรควรรณโนก็ไปสวรรค์แล้วเออตายไปแล้วเรือองค์มีมาคู่แรกนั่นก็ยังอยู่ปั่นนี่อ่า ราตรีนานนานอ่าแปลตามพยัญชนะก็รับเนี่ยท่านไม่ได้เป็นสมภารดีไม่ดี หรือว่ามันดูเหมือนกันแล้วพวกเราเนี่ยถึงวาระอันสมควร น่ะเป็นผู้มีปัญญาผู้ฉลาดผู้รอบรู้อะไร คือเราทํางานในรับผิดชอบยงใหญ่มากเนี่ย นี่กับพวกอ่ะนะก็มีอะไรแปลกๆอยู่ อ่าไม่จะเป็นภาษาที่เป็นนิยม เป็นอะไรขึ้นมาอะไรขึ้นมามีวันเอ่อสบรรอโศกรำลึกมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรม 2516 อาตมา 2513 2513 มีอาตมาๆอาตมา 2513 ก็ๆปีไม่มี 2514 ค่อย เอ่อตอนวัดปีที่กลางกลุ่มดงสะแหน่นู่นมันอยู่ที่วัด ไปคุยด้วยไปอะไรอาตมาก็ไม่เคยออกมาตอนนั้นสมมุติถามก็ ขอร้องท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสให้อาตมาขึ้นเทศเออมันก็เป็นไปตามธรรมก็ใหม่ๆเอ่อ ยังไม่ถือศายังไม่อะไรอะไรนะอาตมาก็ยังไม่ได้พูดมากอะไรปากยัง มีระบวนวีนอยู่เถอะวัดต่างๆพวกนี้เทศมากมายจนมี <ม. S 1> มาปีนถึง 6 แล้วก็เลยเอ๊ะมันไม่ได้หรอกมันจะต้อง ก็ปวดออกมามีฌานที่อาตมาไม่อยากให้ ถ้าทํามันก็ทําอย่างที่ท่านทํามันนะเราอ่า ไม่ต้องเอาอะไรมากเราไม่รับเงินอย่างนี้มันก็เดี๋ยวก็ มีงู 7 ตัวอ่างู 7 ตัวพันงูพวกเอ้อออกแปลกไอ้มันมา ไม่ได้ไปดูมั้ยท่านอ่าไปตอนเค้าจะประกาศ ประกาศขอแยกนานาไปอําเภออุดรอนุตตโรไปเมทท่านเหล่านี้อยู่ตอน คนที่ไม่เห็นคนที่เห็นก็เลยไม่มีคนอ่าทํามีกล้อง อยู่ที่แดนตะโจงั้นตั้งตั้งๆแต่มันไม่ลงตัว มันก็ไม่รอดก็ไม่รอดเออคือขนาดว่ามีคนเอาสตางค์ไปอ่าเอาสตางค์ไปทิ้งไว้ให้ก่อนมัน พุทธสถานแห่งแรกกำแพงแดนอโศกเป็นพุทธสถานเราไม่ได้ตั้งชื่อว่าพุทธสถาน ย่างชมเบนจเพทอโศกนะอะไรอ่ะฮะอะไรเนี่ยตายอ่ามันเพราะเป็น <c oughs> หมายเอกลางนะจริงๆ25 หมู่ 2540ๆๆ ก็ปัจจุบัน 7 2525 ธรรมะที่พ่อ 2525 12กก4 รอบ 48 ปี พบลูกลูกน่าจะมีการคือ 5ม จะให้มันเน้นที่ตัวพ่อทันให้มันเน้นที่ตัวพ่อท่านถ้า โดยจัดที่พุทธสถานปฐมโศกครั้งที่ 2 จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กรณีสันติอโศกปี 2532 เกิดเหตุการณ์กรณีสันติอโศกพระเจ้า 10 มิถุนายน <c oughs> <c oughs> พ่อท่านจึงๆเพราะเป็นเหตุการณ์ แต่ให้มาเป็นวันเกิดสมณะแทนเพราะสมณะ แต่ปี 2535 นี้เพื่อความเหมาะสมในหลายๆ11 จึงได้ย้าย ก็รวบรวมเอาไว้นี่เรื่องราวของอโศก อะไรต่างๆนะเมื่อมีเวลาว่างๆวิสาโส สิ่งที่เกิดแล้วผ่านไปเป็น เราก็จะได้สิ่งอะไรๆพัฒนาขึ้น อ่าโลกรูปนี้แตกมั้ยแตกหมดในรูปสิ่งที่ไม่ ผู้ที่ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ไม่เอมีพระพุทธเจ้าพระ จักรพรรดิเริ่มต้นของกาละก็ไม่ได้เพราะบอกท่านไม่ แต่ท่านมาท่านเห็นที่จบรู้ที่จบสิ่งที่ๆนี่โอ้โห หรือตริมนุษยธรรมหยุดเด็ดขาดไม่เวียนวนมาเป็น ทั้งสารวัตรนั้นไม่ท่องหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นไม่ เอามันตายสิ้นดับอย่าเกิดอีกเลยสัพพปาปัสสะอกรณังไอ้บาปทั้งพวกไอ้ เป็นความหมายเชิงละเอียดได้ซึ้งต่างกันบ้างให้ได้ เป็นอะไรก็แล้วแต่คิ้นาศพทรอนอานสวะสิ้นแล้วเนี่ยอยู่ใน สิ่งที่ดีอีกเนี่ยแม้จะเป็นความดีงามสามารถจะสร้างจะต่อเนื่อง ราวจึงจะต้องเข้าใจตัวนี้ให้ชัดอกุศลอะไรคือ แฮดดีนี่ทําไม่ถึงให้พร้อมไม่มีอยู่ตลอด ที่ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปไม่ ถ้าผู้ได้ได้นิพพานแล้วผู้นั้นก็เวียนวนได้อีก อยู่อีกบ้างอีกบ้างแล้วมีกําลังสภาพ 25 อ่า 16 มิถุนายน 17 มา 40 ก็ 25 ปีใช่มั้ย 26 หรือเปล่าเปล่านะเพราะงั้นปีนี้ก็ซ้อนอะไรพวกนี้อยู่ สิ่งอดีตที่เราได้ดีดีๆๆ ความคิดความอ่านสมรรถนะความสามารถที่จะเอามา แล้วก็จะใช้ทุนให้มันเกิดกาละเออเวลา ทุนรอนพลังงานๆมากๆเราสูญเสียไปโดยไม่รู้โอ้เวลา เอาไปโยนทิ้งที่เคยไหมก็ไม่ เอ่อถ้าสมบัติประสิทธิภาพที่แสวงหากันทั้งนั้นกอบโกยกันมาทั้งนั้น ควรใช้เวลาให้มาเป็นคุณค่าให้มีประโยชน์ให้มากใช้ทุนรอนมาเป็นประโยชน์ให้มากสิ่งเหล่า ทั้งพลังงานทางกาย, สมองๆๆๆๆ ตายไปนะเวลา คุณก็จะสํานึกรําลึกแล้วก็พยายามก็ทําให้ ท้ายที่สุดแล้วนี่ให้เป็นประโยชน์ให้จริงๆใช่มั้ยกาละทุนรอนพลังงานของเรานี่ให้มันเกิดคุณ At the